ศ า, าสนาพุทธเป็นศาสนาที่สมดุลชนสุข ด, ด้วยสมสมาธิปัญญาและมักแตดโคตรงเจตกรรมฐกรรมฐานยิปัสนากรรมฐานเป็นสมบัติอลรรมค้ามหาศาลเป็นศาสนามูลฐานอันเอกสำหรับที่จะจะสมเป็นแ่งซึ้งอรลัยทับท่านเกิดมีนดในจิตใจ แต่ทุกท่านผู้สะสมได้าเป็นศาสนาการค่าหาเราได้หาเราได้อะไรค่าขายอะไรค่าขายบังเทนสุนธรรมคำสอนประจับขายอะไรขายสิเลขายบาปขายกรรมันชั่วออกจากดวงจิตจะนำเครื่องสูงบนตัวสอนขุนรากําเลมาสาปคาคิดใจ มาฝังไว้ในใจให้นักเขาใสสะอาดอันนี้เมื่อสะสมอบรมให้แล้วเกณฑสมบัติแก้วพระกัดนักได้สมดังใจหมายฉะนั้นการนะุศขึ้นกับยุคอยู่กับเฉินเฉินจะลาบแก้วของศาสนาณาไม่มีอื่นใดที่จะสมองเหมือนฉะนั้นเมื่อพระเนนบทตเข้มานศาสนราขุศ และกรรมนตุพรามหมดพอามาแล้วพระกตรระะ็ต้องปฏิโมขจังวะโลใช้สังรมเห็นชาปฏิโมขคัดงดื่อมข้อเปองห้ามคำตามพระองค์อ น, นุญาตมันจึงจะเป็นพระตนหนึ่งสมบูรณ์แบบถ้าไม่งดเล่นึงชื่อําให้สมสมองมันก็เป็นพระไมกสมบูรณ์แบบพระในเหนจังร้อยห้าสบิบเจ็ด ปาลิกติ 4, ต้องพขแล้วขาดจากคมจนชุสุสำค้าที่เสดชุศานเมื่อต้องพขแล้วโยก ร, รมจึงคนใอนดอานุสตองต้องพขแล้วก็สำาระต่อหน้าสงก็ผ่านคนไปได้นี่จะคือปาลิกุิสามสิสสทบทุกขบทเมื่อต้องพขแล้วก็กแสดงวเสีสระของนั้นแล้วก็กแสดงอบัตก็ตกไป ปลาชุดสี่เข้าชุดสองทุดขบทยื่นคาดต้องเขแล้วก็ต้องสํารกแสดงต่อหน้าสงหรือบุคคลอันนั่นก็หมดไปอันยอดสองแค่ชีวะเจ็ดสิบห้าอธิกะเจ็ดยมแล้วเป็นสองร้อยยี่สิเจดชุดข้าบทเป็นศิลปของพระจะต้องสังรวมรักษาไม่ให้ขาดไม่ให้สมองจึงจะเป็นพระสมบูรณ์แบบในาศาสนาพุทธนำเทวนบุญเกิดขึ้น เจริญสมาธาวิปัสสนาเมื่อสุนทองใสคิดทองไสจะนําจิตเข้าสู่ความสงบได้จิตังก็ไม่เร่าร้อนเพราะสมบริสุทธิ์องใสฉะนั้นพระพุ้นจาว่าพึกโตจงสองลมในสินพระปณิโมอุตสาขดที่ทรงบัญญัติไว้ด้วแล้วเล่าดีนั้นอย่าให้เศร้หมอง อย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพ้อยจงสังรมระวังเสมอนอกนั้นก็ให้สังรมนในอินทรีย์หกตาหูจมูกุิมกายใจไม่ให้เงินดีเงิน้ายในเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมจิ๋มลืดลด่นลอดโพธะธรร ม, มะลมถ้าเงินดีก็เป็นกรรมสุคคขานุการโยกทำใจหสมองกามเกิดขึ้นเผาใจให้เราร่อน ถ้ามีลายก็เป็นอัฐะทุเลมาถาในโลกทาใจสมองไม่ใช่ทางนั่นแหละเมื่อสังบลมดูแล้วก็ดีถ้าไม่สังวลมปล่อยไปตามอารมณ์นั้นก็ทําใจสมองเช็ค ส, สมองแล้วก็ละละลกระล้นกระวันตะลายไม่ดีย่่อเนี่ยอาิีรปริสุธิปัจเจเนตคณะคิดจะนาเสียก่อนปัจจเส เยาวน์อาหารลินทบาทเชนาสนะยาเก่ไฟไม่ไม่โทษตันหายังสุดเป็นอยานเพราะธาตุบำรุงธาตุธาดอาศัยธาตุและก็ตนผู้มีชาคาในยุโรปประกอบเขาอีกความเชนของผู้เติมโยคูบให้ทมทั้งหลายอากได้ลุนกุศนที้นนำกัมเบก็ทรงเป็นผู้ มีสถุสัมปัิละละนึกถึงคนตายทุลมภายใจออกแลกว้วก็เล่นรัดสาคานิยานโยกรักขอบคุณเพียนดูทุกากาลกาลสมัยไม่ให้เวลากาลสมัยล่วงไปเีเปล่าขาดผลลายได้แบงไม่ล่งเสืออันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละหื้าสั่งลมอินทรียหกและถินปัตเตนรโม ไม่เลื่อนขอตกลห้ามทำตามองค์ระดับเนือความมากน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยสันโดษุปรมังพานังมากน้อยสันโดษอัติศักขาไ่าความท่กั์นำให้มีความศาสร์นาน้อยนั่นแหละอะไรก็น้อยเท่านั้นไม่ใช่น้อยหล่งน้อยเพราะการทำคุณงามคนดีนั่นแหละเนื้อก็มีสุนติดที่ขบฏ ก็ทรงสังรมรักวังสุทของตนจะให้สศรหมองถ้าสิ้นเศร้าหมองแล้วก็เป็นสมมาเนมไม่สมบูรณ์แบบที่นี่ทางพระทางเนมเราก็เข้ามาบวชเป็นทาของพระผู้ดจับพระคำพระสงจับเชื่อว่าอยากได้บุญเมื่อได้บุญแล้วบุญกุศลนั้นจะบรรดาส่งผลให้ ได้บรรุมรคลทำบรรุเสดนับตั้งแต่พระสราผนขึ้นไป็นขั้นตราบเข้าเข้าู่อนาคาอรหันต้นทุกไปได้เนี่ยสมเป็นเป็นบรรดาขั้นตนเป็นดาเพ็รพันสมัยจงมัจยะจงมัจยะสังรมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเห็น้องจนจงสะสมบ์แบบ นั่นญาติโยมอุปสมบทุตาทียว่าสมณะสุตานสมณะแปลว่าเป็นผู้สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบตายไม่ขาดสัตว์ไม่หลักทัพไม่ก่อพุทธเนตตาว่าเปนสมณะสุรามวันหนึ่งสงบวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดต่อเสดยุ่งแยงให้คนแปลกแล้วสมาธิจากกัน ไม่พูดคำหยาบ้าสธรรมเพื่อเชออภัยเสียสิ้นประโยชสงบวาจาสงบใจไม่เล่นลบอบเอาของคนอื่นมาตป็นของตนสันตูถือพลังขำนางยุ<ม>่งดูแต่ของตนทีนู่่ียอยากได้มากกว่าทำไรทำนาฆ่าขายออเอาเป็นทางถูกอบอ น, นุสงบใจธรรนะแปลว่าเป็นพูดสงบเมื่อสงบกาวาจาใจดีูแล้ว จะเจริญสิ่งธรรําต่อไปมันก็สะดวกย่องไวเมื่อขัดข้องสมณะได้มาเนผู้ ส, สมบซื่อความซื่อตลอดเป็นผู้มีสิน่หนึ่งสิ่เป็นเครื่องสอยถอนเป็นเครื่องสอยถอนอะไรสอยถอนจับตือ ม, มันสังแน่นคือกิเลสทันห้าทันหาร้อแปดนั่นแหละมันสังแน่นถึงเป็เครื่องสอย เ, เชื่องออเป็นเครื่องถอนกิเลส สมาธิความวตั้งใจมัน่นอันนั้นก็เป็นเครื่องสอยถอนกิเลสปัญญาเป็นหลอกลูกก็เป็นดาบเพชรพันสมัยเื่อยจะลูกถอนดชวะสกิเลสครื่องดองออกจากใจได้ถึงสมาธิปัญญาเป็นสมบัตอิอรรรมฆ่ามหาศาลเป็นอาวุธอันพันสมัยคกล้าหนานน่นว่องไวเท่ทองเจ้าและพระเอกเจ้าทั้งหลายคลังพุทธการโน้น ตลอดมาทุกวันนี้ท่านก็ยึดอาดาเพชรสามเล่นนี่แหละเป็นเครื่องสังหารเราค่าสุกใหญ่คอูพิเศษตกไปจากใจของท่านพิเลด น, นั่นก็เลยปราใสอัปปราใจายแท่ไม่กุดข้องลองอยูลองใจต่อไปอีกถ้าถูกดาบเพชรพันสมัยนักดาบผู้สลาดยึดเอามาประพฤติปฏิบัติสังหาร ป่าฟันให้หมดไปเสียท้นอน้ข้อสำคัญจะจริงหรือเท็ดก็ ข, ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติพระเจ้าังรูออ้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตอนนี่ข้อสำคัญลองตาที่พูดยงกาา็ไม่ได้ไม่ต้พูดเฉยๆได้เห็นได้ประสบมาแล้วที่พอใจนั้นได้ประพฤติเหของจุงเกิดขึ้นนานาสนุก หลายอย่างเป็นที่พอใจของการเจริญธรรมนั้นนั่นแหละตีคว า, ามแปลว่าพระเนมกิจวัฒนาพันอุปสมบิุกาตีคตามกิจวัาน์พามแปลว่าเป็นผู้ลอยเสือสิบัตยด้วยการบำเพ็ญทานสีนภาวนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแต่ว่าลอยเสีอเจริญธรรมทั้งหลายนี่น คำทั้งหลายเหล่านี้จะกำจัดปัดเสาวเสื่อมชั่วฤกษ์กะบากตัวซาลโมกนั้นให้ตกไปสูงไปจากใจของผู้เจริญธรรมเสวความพัมรัมมโนพัมมนาพรามมนุพัมนาได้แก่ผู้หญิงความมันก็บผู้หญิงพรามโนผู้ชายผู้มาทูเทิบวชวันหนึ่งคนหนึ่งหรือตจนแทบจะนึ่งเกิดรว่าภความ แปลว่าเป็นผู้ลอยเสืยสิ่งบาปด้วยการกระรวนกรรมนี่แหละดังนั้นเส้นสมาธิปัญญาจ ะ, จะเจริญอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจนเกินอธิเสินตขาอธิแล่เยุ่ญอธิสุ ข, ขติ ข, ขาอาธิเจริญอธิปัญญาติ ข, ขาจึงจงได้ของมุ่งเส้นธรรมนิ ป, ปัญญา จึงจะเป็นของยิ่งเลิศประเสริฐเกิดขึ้นเอาเจริญแนวทางที่เจริญนั่นก็คล้ายๆก็าทางเดียวกันกับกรรมะกรรมฐานยุทธนากรรมฐานพุโทโธทบสังโผล่อันเดียวกันนั่นแหละมักแต่พูดตรงเจตก็อันเดียวกันการเจริญเสริมให้ยิง่งที่ได้ยินจากปาทูรุทั้งหลายมานั่นและได้ปฏิบัติมาด้วย ข่านสอนเดินเนจริญจิ๋งเดิเจริญจิ๋นั่งเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นแน่วแน่ชื่นนาถขันน้อมรู้เกิดใจรัอนุกเจริญปัญญาให้คมกล้าดาบเพชรสามเล่มในนั่นเมื่อเจริญคมกล้าแล้วแม้น จ, จับจับสมปรนเข้าจอตั่าทุกใหญ่ทุกามาตัญหาภาวะตัญหาฤทธาตัญหาอาวุธา โลภโกรดหลงภักดีเที่ยงเจตจิตศักดิ์ชุามรรมธรรมาภิบาลรูปประภะอุบลภะมานุขันจักรนี่ตัวฆ่าทุกร์ใหญ่มันอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ใจเนี่ยไม่อยู่ที่นั่นฆ่าทุกร์เรานี่มหัศจรรย์หนาเนี่ยเลี่ยงยำนึกซึ้งเข้ากันกับร่างกายเป็นอเดียวกัน เลอกวงเอาเกลียบเอาแพ่เอาสนะดงใจของโลกคุณมุสาวจะเป็นมุดหลงไปตามเขาอย่างนั้นเมื่อมาเจริญดาบเพชรทันสมัยพร้อมแล้วรับไปคมกล้าด้วยการเจริญนั่นแหละจงจะต่อต้านสังหารค่าสึกทั้งหลายเราได้ชื่อข้อสำคัญนั่นแหละเรินเจริญเริ่มเจริญสิ่เริ่เจริญสิงเรินมจังไร ตั้งสัตว์ไว้ถ้ามีสัตว์แล้วสัตว์นิ้วสั ต, มมมตว์จำเวยอมตะช่วงสัตว์นิ้เป็นทำอนไรตายนั่นแหละสัตว์นี้สัตว์กระผมก็กเดียวกันนั่นแหละเป็นวิญเพตลับสิ้สมาธิปัญญาให้คงท่าตั้งสัตว์ไว้จะเดินานานเท่าไรทู่สําหรับผู้ทู่ทึกมานานแล้วก็ต้องเอาตามไส การพูดปรึกมานั่นผู้พูดปรึกใหม่ๆเห็นมาบรรณุก็หลายบริษัทบ้านอื่นนะโยมอุปจุตาและแพทย์เอมก็บทใหม่ก็หลายนั่นแหะยังไม่ยอมไห้ฟังถึงตัวน้ตฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจนั่นแหะจึงพูดแล้วพูดเล่าทำแตกเหมือน คืนท่านพระธรรมขันย้อนลงมาได้แก่มาแต่ย้อนแตไ ป, ไปหัวสามสนลสมาธิปัญญาเท่านี้นั่นแหละรวมเขาเป็นกำลังไหล่ำสำรักุูเข้ทำทั้งหลายตั้งสัตว์ไว้เอาสามชุนาเทหรือก็มองก็แล้วแต่คือจะทำได้แก่ให้มีสัตว์ถ้ามมนมีสัตว์แล้วก็ได้ถัอวไม่มีสิน่นเพราะแล้วแต่อยากทำนั้นมันก็ เป็นซ่องทางของขี้โง่ในพรรคันหลอกลองเอาเปรียบเอาละให้เสียเวลาเสมอวันที่จะได้เวลานั้นก็เลยไม่ได้ก็ปล่อยให้โลกเลยไปงดดันงดโนยนี่ไม่ได้เอาสําหรับผู้ฝึกใหม่ก็เด่เอาสามชั่วโมงผู้ฝึกเก่าจะมองสองสามตัวมันเข้าไปเก่งจะพอพอดี รับการฝึกนั่นแหละหินเพชรจงจะจึนจะกล้าสำรับดาบเพชรคือสินรมาธิปัญญาให้คงก้าเร็วๆเข้าสู่ทางแล้วเหตุใดศาสตร์จสเราให้เดินฝึกจิตให้เดินฝึกรับหุ้เพชรเจริญหินมเพชรรับสินสมาธิปัญญาคงกล้าง เพราะแนวทางนู้นกก็อย่างพระผุณเเจ้าจะพอดจากคันบันดานั้นตามผู้เรศึกษามานั้นและศาสตรูทั้งหลายท่านก็ได้แสดงให้ฟังบันดาลเมื่อเยิ้หันหน้าถือพิษตะวันออกเอามือแขวนหน้าหลางังขอดูดอกมนพาเสดอกตกจากสวรรค์ลอมต่อหน้าแม่เจ้าิลิมารยา เส็จแล้วก็พอด อ, อกจากคันบรรดาเอาขาทางสองออกก่อนตกลงมาก็ไม่นั่งแม่ก็ดยนคอดคลอดตกลงมาแล้วกว็ดินหันหน้าสู่ทิศตะวันออกคลามทั้งหลายห้าสิบองศารูแล้วแม้อะไรก็เหยียิยัยเหลือมนุษย์หนา้าคดอุนสมทั้งหมดริสัลคดะ ไม่ให้เที่ยวจะเสมอหยันไหว น, น้าเริ่มเริ่มมั่นงใจเป็นแล้วเย็นเย็นตายเย็นใจคำพูดสียงดังเหมือนเสียงมาเสียงมากระเวรหรือเหมือนเสียงมาคมนั่นเอะเริ่มแล้วก็เดินจะถึงเก็ดก้าวเดินไปนั่นก็ภาวนาไปนะอัจฉริยะปัจฉรตะไปอย่างนั้นรื่ทูตปฏิสัติผลที่นครบรรดานั้นตามประวัติ ก็บอกว่านั่งพนาเสมอขัดสมาธิหันหน้าออกทางนอกหันหลังเข้าไปทางสลังแห่มองลงมาข้างล่างถึงแผ่นดินไม่มีสิ่งใดเกดขวงมองไปทางบนถึงฟ้านั่นแหละไปถึงเวลาที่เก็บดอกไม้ก็ยกมือขึ้นมาอักโคหะอิมัตตมุโลกัจจะแปลว่า ลกนี้สมัยนูพร้อมแล้วการสร้างบารมีมานั้นเท็บน้อยค็บใหญ่ตั้งแต่เป็นโ ค, โคป่าก่อพิลิตายฝั่งมาน้ำเมศล า, ศาเสร้างตาแก้วทั้งสามประ ก, การแลกเกียรบุญเขานั้นตั้งแต่นั้นมาได้ น, น ü, ี้ที่ประสงไข่กำไรแสนห้าศับกับหนึ่งสี่พันสามร้อยยี่สิบล้านตีเจมุกกลับนั่นแหละหลายเท่าไร ยี่ยสิบะาสงไข่กำไรแสนมา ก, กับช่างบารมีมานั่นเต็มแล้วอินทร์คัทธาจวามเชื่อวิริยะความเพียรศรัทธา ส, สมาธิปัญญาอันนี้อินทรห้ากำลังห้าพละงห้าเต็มแล้วข้อมูลทุกอย่างบารมีบารมีคือบนก็เต็มเตยมแล้วนั่นแหละไม่มีสิ่งใดขาดตัวปกครอง เนนุกาละกันสมัยที่จะตัดสัตว์เป็นสัพพุตเจ้าขึ้นโลกเป็นศาสตราเอานรกสามไม่มีศาสตราอื่นจะยุ่งไปกั่วในเมื่อสมัยนี้นั่นแหละที่นี่การข่านก็นมามายึดใจว่ามาแยกแยะแสดงเดินไปเกิดก้ามได้แก่โทษตรงเจ็บโทษตรงเจ็บ เป็นธรรมองค์เครื่องสัดจะลูทุกสมุทยหลดมรรคของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างหมดทุกองค์ทำมันเกิดขึ้นพร้อมดอกข้อที่หนึ่งสติสัมผัสรงสติแปลว่าความระุึกรายก่อนทำชู้ทิกทุกอย่างจเมื่อมีสติแล้วจะทำกับชู้จะทิศก็ไม่ทิดไม่พลาด ฉะนั้นคีอุปาระมากสองอย่างอะไรรับมาคำตีก็ได้เจอสตสิสัมปาระสองอย่างนี้เมื่อรวมจิตใครนั้นนี่จะตุ ส, สัมปาระประจําจิตแล้วคิดนั่นจะเที่ยงตรงนะไม่เอ็นเอียงพูดก็ไม่ผิดทําก็ไม่ผิดนัดคิดก็ไม่ผิดอันนี้จึงได้เจอสติสัมภาสนะ ทำที่เหนืออุปกรณมากสองอย่างนหลักธรรมะแปลว่าอย่างนั้นสองธรรมนิุยะธรรมะลุคยะเป็นองค์เครื่องสัจทะลูกทุกสมุทัยหลดมากของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสามเิยะความเทียนเรียนหาทางสุขทุกบากวันขยันไม่วันไหวนี่แหละเป็นองค์เครื่องสัจทะลูกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสี่ ตูติสัมพดทรงตูติห้าอุตกระตูติขันกระตูติโอกกันกระสูติอุเพงขาตูติภาลานาตูติจิตคุดคำห้านี้ต้นกาลังใหญ่ของผู้ไข่ทำผู้เจริญทำเป็นองค์เครื่องสัจจารูปของพระเจ้าทั้งหลายห้าพระชตุสัมพดตรงอันนี้ก็เป็นองค์เครื่องสัจจารูปของพระเจ้าทั้งหลายต้นกาลังของใจฮะ สมาธิสัมผัสตรงขณิกะสมาธิคือสงบเกลียดเสมาธิธสามสมาธิขณิกะสมาธอุปัสสมาธิอปนาสมาธิเสมาธิสามนี้เป็นกำลังใหญ่ของผู้เจริญธรรมเมื่อสมาธิใดนั้นเกิดขึ้นหรือมาจะเป็นกำลังเชิดูพกจิใจให้ได้รับความสงบเกลียดพื้นและลงบวชถึงใจ ใจนั่นเบื่อลบคุ้มโทมสงบแล้วใจนั่นกลหาหาญใจใส่ไม่หวั่นไหวธรัมที่ทั้งสามมืงเป็นองค์เครื่องสัตวลู่ทุกสมุทัยรดมากของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระโยคาวจันต์จต่างไหลกอดอยูหงสทายผู้จะเริ่มเกิดที้แล้วเจ้าอุปเกขาสัมพศทรงเป็นองค์เครื่องสัตว์ลูทุกสมุทัยรวดนากของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นี่พระเจ้าเจ้าเมื่อประเสริฐอุบัตมังเกิดในโลกธรรก็เกิดขึ้นพร้อมนะมีขึ้นพร้อมได้เกิดดอกมณฑาเต็มดอกนั้นที่นักปราชข่านแสดงให้ฟังนะก็มีเรื่อประเสริฐจากนั้นจะจึงได้เท็จก็ผู้ไข่ธรรมทั้งหลายจงเจริญเตลเถรเจ็บสมบลงสูอุปการะสมาธิขัณฑะสมาธิเท่านั้นแหละ จะเห็นมากจริงเรื่องภายในจะคุทุกกระเชินงานกิดเึ้นเห่นชีสัตว์ทุกอย่างไม่คิดท่กองเจ้าทรงสัตว์ดีแล้วกันแลดูนันนี่แหละจึงว่าให้เราเจริญสันเดินเจริญสิ่งจ้าวขวานึกพุทธโธพุทธโธได้เจรได้เจริญสิงธรรมโมได้เจริญสมาธิ สังโคได้แก่ปัญญามาอย่างน้นะนี่ชิ้งลิ้เพชก็ปัญัตแตปเถอะที่นี่ก็ได้ศึกษามาจากศาสตร์ลหรือทางไหลหมายถึงหลงปู่เขานาเรยวท่านเป็นพระลูกเดือดรุ่นใหญ่ของหลวงปุมันพุษธตะเทระท่านไปอยู่กับหลวงปุมันทิพเีเตีอยมันจนได้บรรลุอรหันต์นั่นแหละก้วกลับบ้าน มาเรื่อสถานที่ต่างๆเลยไปอยู่ด้วยกับท่านท่า น, ป น, น, นะ น, ปานเป็นคนอุบลนะนักปราชญ์อุบลเป็นคนมีสติปัญญาแหลมลึกสลาดสามารถค้นคิดจุดสนาธรรมปัญหาของพระเจ้าได้ บ, บรรลุอุปติธรรมใหญ่ใหญ่ได้และนำของจริงมปาประกาศกวางกังวนในโลกสมัยนี้นั่นแหละคือปูมั่นปูเสาปูศรีานน่เปนอาจารย์เอก ค้นพุทธจิตนาธรรมจนได้ของจริงหมดความสงสัยในท่านแล้วจึงนามาแสดงคําสอนมนุษย์ทําหลายนิสัยศักใิ์ไทธรรมำพระพุทธปริบัติตามเดินเจ้าวขวาเนื้พุทธโภเป็นอารมณ์ของจิตเป็นอารมณ์ของกรรมฐานพุทธโภเป็นพระกรรมฐานเอกไม่มีใครจะเอกเหนื้อไปด้วยพุทธโภเป็นศาสตราเอก ทุกโทเป็นนายกอีกผู้นำโลกคือบูษัทข้ามหอนพุทโธสงสารไปผลิพานจนถึงแล้วนั่นแหละไม่มีใครเสมอเด่นทุกอย่างนี่ข้อสำคัญเก้าเซ้าสยธรรมโมกเ้าวขว า, าสังคมนี่การทุกข์เสดทุกข์เศดเจริญให้สมคมกล้านั่นแหละ เมื่อสุนคมกล้าจะได้เอาไตรชนะของกิเลสได้เริ่สาม3ิลนาเทชู่ค่อยทำใหม่ไปถึงสุดทำโนนก็เวือนขวาพรแกสามประเจ้านั้นเวือนขวาอันนี้แหละรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามครบใตรลักษณะสามคือพุทโธตะโมสังโฆครบเห็นสมาธิปัญญาหมด รอบูุเี่ย่อนเอาอารมณ์เดียวเก้าขวนึกคุดเก้าซ้ายนโนโคเท่านั้นนั่นแหละเดินผาดีบาดเก้าฝาที่นี่เมื่อถึงกาหนดตั้งสัตว์แล้วสามชิ้นมาเทก่อนจะนั่นไปก็โยมเยมนอยสุดทางโน้นหันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแนวพระเจ้าเดินนุ่เดิน นั่นเนี่ยตอนจะนั่นก็เืินภาวนาเจริญจิตสมาธิปัญญาเจริญให้คมกล้าหายใจเข้าพุทออกโเท่านั้นผ่อนลมไมาละเอียดนี่จนที่สบายและเป็นเครื่องผูกมัดจิตถ้าปล่อยลมออกปล่อยปล่อยลมออกแรงเขง้าแรงมันก็กระแทกจิตจิตก็เลยไม่สงบฟุ้งซ่านลำคาญ เอาละเอียดเข้าให้เป็นทู่สบายนั่นแเดินเจริญสิ่งหน่งคนกลา้าชินาทีแล้วก็ออกที่เข้าสูท่ที่นั่งสมาธิจเจริญสมาธินั่งลงไปนั่นตามแนวาทางลงสุ ข, ขาวสอนไหวระทีกยก่อนย่อๆ อ, อลหังสว่างคัดโตสุปฏิปันโนแล้วนึกถึงครูซะก่อน นั่นแหละแลนึกถึงสมบัติก่อนอาลังนี้มีทั่วไปให้เรากั้งตูบไว้ก็พูดมาไหนสมบัติของเรามาพุกเผกไใจนั่นแหละเมื่อได้จริญมพร้อมแล้วก็ได้บรรลุอาลังสลากระโตสุดวันโลกนี่ฉะนั้นการรูดทั้งหลายท่านไึ้สอนให้เราเจริญพุกเต็ดยูเกนิด ให้เป็นสัมพันธมุอขจิตใจแม่นมุดเมื่อหางไกลกันมันตํานานของแกลอยรวมต่อมาก็มันก็ออกมุอดอย่างนั้นนั่นแหละมันจนใสแล้วทันสมั ย, ยเราจะเล่นให้เป็นนักเครื่องสอง่งนําจิตเข้าสู่ความสงบได้เมื่อทำ ว, วั ด, ดว่าย่อเสร็จแล้วถึงนับมองท่านก็บอกไม่ใช่ว่าหรือว่าก็ได้ไม่เป็นไร น่าโมงไปเลมวากลมหลกน้องขอน่อมไหวสักคุณเจ้าประธรรมประสงค์ขอน่อมไหวแล้วท่านพุทธเจ้าประเสริฐทั้งหลายอยากได้เดชนี่เปหมายเสร็จแล้วก็สำลักจุก่มในถังใสอัจฉริอารมอดีตที่ล่วงมาแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดอนาคตอารมอนาคตยังไม่มาถึงก็ปล่อยวางอย่าไปยึดไม่ใส่ไม่ใช่ทำไม่ใส่ดีนัยเอาปัจจุบันนลม ตำละใจสงสัยเมื่อใจสงสัยแล้วม่ยึดปล่อยวางเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางความอากอยาให้ความอากเกิดขึ้นอยากให้จุดตรง็นสมาธิเลือดทำเห็นทำความอยากนั้นจมเครื่องเกขวางไม่จุดเข้าสู่ความสงบได้ปล่อยวางเสมอและปล่อยวางอุปทานคนหงอหัวหมุนหัวอะไรหลังกายนั่งนานกว่า จะเกิดโลกอย่างโน้นอย่างนู้อย่าให้มือเพราะธาตุขันมันเป็นบอนขันของโลกอยู่แล้วเราจะทํำการเพียนเชสีอว่าจะหนีจากกอนโลกเนี่ยถ้าไปหึงหวงของอะไรยุตแล้วก็ไม่ใช่ทางไม่ไม่ใช่ทำมาใจยุไหนปล่อยวางเสมอธรรมนิจตาประกอบเพอยบ่แล้วอัตถันนิจตาผลดีจะเกิดขึ้นสนองไม่เร็วกว่าฆ้าไม่ฆ่าก็แล้วอันุข้อสําคัญ นั่นแหละจำใจมันผลาดเส่าวธรรมดาว่าพลาดเส่านั้นตือนดูมาดีไปเสร็จมันก็ไม่ว่าอะไรวางเฉย อ, อย่างนั้นนี่แหละคำมะคําสอนมาเจ้าเหมือ น, นกันกับผ้าดเสถ่าไม่หยุดโน่นไม่หยุดนี่ปล่อยวางเสมอเหมือนดินและน้ำนั่นแหละดิน น, บบน้ำเราจับกินขุดก่อดินนั่นก็เด่ใครก็รักปัจจุบวนเชะลงไปก็ไม่ว่าอะไร นี่แหละใจสำหรับทิ้จเจริญเห็นสมาธิปัญญาคมกล้าเอาชนะกิเลสธาตุขันได้มันก็ต้องทำอย่างนั้นขาขวาทับขาซ้ายมือ ข, ขวาทับมือซ้ายทำกายให้กลมดำรงสติมั่นสัปน้านั่นแหละไม่กลงไม่ลอยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเชืบจะไปทวงหลงไหลตามธาตขันนั้นวางกายอ่อนวางใจอ่อน พระธรรมะเป็นของอ่อนธรรมาทุกธรรเป็นของอ่อนนิ่งมวนส่วนใจดุลลดเป็นของดุลประเสริฐแท้เราต้องวางให้อ่อนนั่นแหละหายกใจเข้าุดออกโคหายใจเขา้อออ า, เขาแรงออกแรงมันก็กระทบจิตเจ็บก็เลยไม่สงบหายใจเข่าสั้นออกสั้นที่นี่กั้นใจโด เอาไปดูนะเนฮะตอนเราไม่ให้ทีนุกเข้าเสมอเป็นที่ละเอียดอันนี้มันก็ไม่กระทบจิตทีนี่เมื่อความลองให้ละเอียดเข้าทุกระยะนั่นแหละเป็นเชื่อมยึดจิตให้อยู่กับตายกับภรรยาที่มั น, ม, นมันไปไหนเพราะลมันเอียดลมมันทีนึด เป็นผู้สบายของผู้เจริญธรรมภาวนานั้นอนุข้อสำคัญฤิยโยทุกขมัจเจติผู้จะลงชนทุกในพระความเพียรฤิยโยทุกขมัจเจติผู้จะบรรลุธรรมอนุเลิศประเสริดชั้สังขารผลกสุภานาคาอรหันเพราะความเพียรผู้จะข้ามหานเพภส่งสารไปท่านผานได้เพราะความเพียร ผู้ศาสนาที่ลดขาดขันก็เพราะความเพียรมีหลังนั่นแหละผู้จะลดทำเห็นทำก็เพราะความเพียรถ้าขาดควาเพียรแล้วก็ไม่มีหลังที่จะตลมไปนั่นนั่นแหละขัน ต, ตูกาโปตปาตินโนความอดทนและความอันนั้นตเป็นตาปะแผดเผาเชื้อเชิญเกเรและจะนําอริยาโท ม, มานัตออกจากโรงจีบจะได้ คือกีเลสนั่นแหละขันตูสมบททนเป็นกาปะยุนยาเป็นเทียนก็เป็นกาปะแผลเขาจะขึ้นกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจง็นคำที่ผมเจ้าตัดอยู่แล้วตัดแล้วดูยังผู้ปฏิบัติให้ข้ามโอกระสงสารรู้ธรรมไปได้นี่แหละอัตถะเวสจังสยโยจงเป็นผู้ชนะตนเสมอเมื่อชนะตนได้แล้ว เป็นผู้สนะที้เหลวที่ขาดขันเพราะี่เหลวนั้นเอาเกลือเอารัดเอาแพ่เอาชนะมาทุกแท่ศาสตรกับขาดขันนั่นจนเราเป็นาศของขี้หลวและขันอยู่ตรงนี้นั่นแหละจะสนมกลมเชื่องเรื่องดูผู้เสืยหายให้ยุดกินนักนอนสนุกสนานแต่แล้วเจ้าขากขันเอาเกลือเอารัดจะสมองรณ์นี่จะหาจึงทพ่มารบวันหลอกลวงให้หลง อย่างนั้นนี่แหลยเราจงจงจ็นเพ่มีความนะตนเมื่อสนะตนได้สิว่าเป็นผู้สนะที่เฉลี่ยขัดขันยุ่งข้อสำคัญ น, นั่นแหละอันนี้เป็นธรรมะของจริงที่องคเจ้าบำเพ็ญมาจนถรรขมโอคะสงสารดั่งแม้วางไว้พระอริเจ้าทั้งหลายก็เจริญตาม ได้สำารวจมรรคผลคํมรรคได้ตามวงเจ้าแล้วท่านทั้งหลายทู่บรรลเุเหล่านั้นท่านก็นำคำที่ได้บรรลุมาประกาศจลางวานให้สักชวนอวนหงักเปล่าร้องที่ป้านาอาบรนน้อยเองินใหญ่นี้ายก็ใครทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติตามโดยไมู่ดหลังที่นี่นั่งต่อไปนั้นลดบาทนี่นทุกขขัน อาญาชัดจังเป็นของกุลเลิกก็ต่อแท้ละพระเจ้าจึงได้สอนให้คนกำหนดลูกลูบทุกนี่แหละเมื่อลูบทุกแล้วจะลูบสมุทัยให้โลดมากแล้วจากเลื่อนขึ้นสมุทัยตันหาเป็นแรงเกิดทุกออกจากวงใจใดและจะคนทุบหาอะไรหมอเป็นเหตุเป็นปัจจัยในภาคพันธุ์มันทุกเจอก็ตาย เราร้อนกระวนกระวายหาที่วางเงินไม่มีปงที่ไหนไม่ได้นั่นแหละดังนั้นท่งเจ้าสงห์ยกยกทุกขก่อนนะเผื่อว่าให้เราทั้งหลายได้ชอบค้นหาของจรงตัวตัวเหตุนั่นคือกัรหาสามเป็นตัวเหตุกามัญหาพลังตัญหาวิภะตัรหาอันนั้นเป็น ต, ต, ตัวเหตุนี่แหละเป็นเหตุแลงที่เกิดของทุกข์ และเป็นเครื่องระรัดเกล็ดนั้นยังจุดของโลกคุณิัาตว์ไห้กรรมตะทุกสังสะะารตะทุกไม่วันจบึินได้อันนู้นเลยเมื่อรู้แล้วิโลตไปวัดดับทุกาโคละทิ้งปัจจุบโธสารเคลื่นสงเครมุตล่อยวังอนัญโยไม่ห่งอะไรในชีวิตคือตัณหาเพราะเหิุทุกข์นั่นแหละเห็นแล้วย ง, งนั่นก็เจริญม มักแตกเป็นทางดำเนินเข้าถึงสุขุมระดับทุกสัมาทิฏฐิสัมมาสัมมาทิฏแตกนี่เป็นทางเดินให้ถึงสุขุมระดับทุกนั่นแหละดับทุก ค, คือปัญหารหมดแล้วทุกก็ไม่มีอนันนี้ข้อสําคัญยกทุกขุนก่อนนี่แหละปวดร้อนมันมุมตาปวดร้อนคันคลายนะชื่อขาทับขามันปวด มันจะขาดพึ่งพึ่งโต้ด้นกระปวดลุกขึ้นมาหัวเข่าเอวถึงเสียใจกับขึ้นกับลงสันหลังมันจะขาดพึ่งนับเข้านะ น, นี่แกแนวก็ยาพึ่งกระดุกกระดุกยาพึ่งไปลูกคำยาพิชให้ถ้าเรากระดุกกระดุกลูกคำพิชให้ทํากลายไหวนะไปลูกคำเก่าเส้ขาดแล้วเส้สมองแล้ว ดาบเพชรนั่นแหละถ้าเราเึลกายให้กายไหวสมาธิดาบเพชรคมตั้งใจมั่นขาดขานมั่นมันก็ขาดอีกเล่มที่สองปัญญาคนรอบรู้รู้รอบมันก็ขาดอีกดาบเพชรเล่มที่สามนี่ตรงนี้ตงจำไว้การเจรินักมันมาขาดตรงนี้แหละฉะนั้นดาบเพชรสามเล่มมันจะมีควมกล้าหน้าทู่จะยัง ให้สมบูรณะนั้นทรงรู้ได้ยินเราฟังจำไว้ที่ข้อสําคัญตรากระนั้นไปก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไว้เป็นการเจริ่มเหตุเฉินเป็นเหตุสมาธุความตั้งมั่นเป็นผลสมาธุเป็นเหตุปัญญาคมหลบรู้เป็นผลปัญญาความตั้งมั่นรับดีแล้วเป็นเหตุยมุติความหลบพ้นของจุดนั่นเป็นผล อันนี้ข้อสําคัญตัวอย่างนีง้นั่นแหละเฉลสมาธิปัญญาเป็นนิยนิกธรรมเปกล้าเพชรันสมังอาวุธองค์กล้าขันสมัยสังหารฆ่าศุนย์ภายในคือเกลเดตกกระจกใจแล้วไม่มาไม่โผล่หน้ า, า, านนนนขึ้นมารบวนลำกลนลำกลนอีกเพราะสังหารก็ยับดับขึ้นคิดเสียขึ้นไปหมดแล้วนั่นแหละไม่เหมือนอวุธของโลกเขามีกล้าอย่างไรก็ พุทธะนั้นย่ยอมแท้สุอแพ้ยอมปรองเป็กลับ้นมาต่อสศพมันล้างกันอีกอันนี้หมดแล้วมันมานั่นแหละนี่ข้อสําคัญนี่เจริญปุณณสมาธิปัญญาแล้วก็เจริญข้อที่สามจเจริญพุทธนาขันธ์ห้าพนาเตยขันธ์ห้ามันเกิดเตยานินจรังทุกขังนาตาลูกปังพิฆาเวลูกคือร่างกายอ่าเป็นของ ทนหนักและรักษาหนักเดินเรือนั่งนอนมากก็เป็นทุกข์กินน้อยกินมากก็เป็นทุกข์ไม่กินก็เป็นทุกข์นั่นแหละล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นรูปประขันทำให้รู้แกะธ น, นาขันทุกทุกใสเสกดขึ้นตั้งละไปก็ให้รู้ขันยาขันขันทรงจาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์สังขารขัน โล่นนู่นโล่นีบบล่ลดนู่นยุดนี่ก็มานโล่นเรีนานขันโลนทุกอย่างอันนี้นขันท<ฮ>ั้งห้าเป็นพลระหนักเราต้องพิจารณาตีให้มันกเก็บเยกะเนาะอันนี้กตาไม่เที่ยงแปลปวนอย่เป็นทุกขกัาตาเป็นทุกข์ไม่ได้ตามเจ้าหมายอันนั้นกตาไมออ่ใสเขาไม่สเราพ ร, ราะขันห<ฮ>้านี่แหละเป็นพลระหนักนักเขาแก่เก็บไต จำจำจักก้าวนั่นแหละเมื่อไอยู่ใต้อำนาจเจ้หมายใครทางนั้นเยาวชนาสัญญาสำคัญยืนดานให้เป็นนาทำครูุกตโลกทำครูไก่เป็นด่างใา ย, ย่อมก็แล้วหลักฐานห้านั่นและฮะฮะหละคราฮาโลจากปุคฮโลโลกคู่บูสัตว์มาแบบไม่สทสารหนักเมื่อเลรหนอจะวางปล่อยวางไม่มีทางเลยข้าไม่จะเริ่นทำนะเมื่อมาเจริ่นทำแล้ว ก็ม so ีหวังจะปล่อยวางได้เพราะอินคร์แก่บ่มเพ็ญปล่อยวางได้พระรานาังทุกข์ขังโลกเป็นทุกข์ในโลกหาสุดไม่ได้นี่แต่ทุกข์เท่านั้นนี่แหละท่านรูเมื่อรู้แล้วจะได้ปล่อยวางเจริ่มทำขยำเสียชึ่อพระลานพระรานเขพนางทุกข์ขังโลกอันนี้การผู้ไข่ทำทั้งหลายผู้เจริญทำ แล้วขลำเสีอซึ่งกิเลสพุ่ง็นตัวเหตุหมดไปแล้วเป็นดวงโลกนี้โลกหน้าไม่มีจึงสมบับิผู้ที่สำลักสนะกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่แล้วนั่นเลยอปันหุงษ์ต่ำคนใหม่ไม่มาไม่ไปไม่ตัง้งไม่อยู่ไม่ขึ้นไม่ลงหมดถดนี่แหละหมายถึยงจกิดสนะใครสมคามใหญ่ขึ้นกินเลส อ น, นุภาพสําคัญอา น, นิจังจุดนั้นไม่มีเนิสัยหมายว่าเป็นดวงจิตผู้หญั่วกายไม่ใั่ว่าเป็นสาวกพระเจ้าไม่ใช่นินเดียวกันหมดคือท่านแสดงไล้เราเข้าใจว่าเข้ากันผพานแล้วพระผุทนี้เจ้ากับสาวกเข้ากันเท่านั้นจุดยอมเดียวกันเท่ากันไม่ใช่ใหญ่ถึงต่ดำดําเค้าวเสมอกันเท่านั้นเพราะจุดทุ่งเกิเป็นพระหันผู้ใหญ่จากาสุด ั้งหมดนั่นแหละเน้กันตั้งแต่เมื่อมีชีวิตนั้นเพราะอินทร์บาบาสูงต่ำลำเขาเกยวกันเลดอกกระเพาะต้างๆนี่ข้อสำคัญนั่นแหละถ้าว่ามีที่ตั้งที่เกาะอยู่เพืพอนธานไม่ไจ้ยังไตอยู่อันนี้ข้าสำคัญเมื่อหมดเหตุเมื่อปัจจัยเลูกแจ้งแทงสลอดทุกหลามอายมันกมาตาติเห็นเลยนะจุดนี้พบนี้เป็นจุดสุดท้าย ในการเกิดโรกสามหมอดเช่นั้นนี่ข้อสําคัญมันไหมนั่นแหละเจริญขันห้าพันาตัวันห้ามัน 8, แตกละอเอียดละเอียดเมื่อตูวันห้าแตกแล้วจึงจะเห็นทำเห็นตนแล้วจะโดบรรลุมรคนทำเสดสจต่อไปฉะนั้นตะปราณผู้ไข้ทำทั้งหลายมันเจริญพัฒนาตูวขันห้ามันแตกนู่ข้ 5, น 7, นขอสําคัญขันห้าอยู่ที่ไหนเรา ก็โยนให้เราทุกคนเลยโลกก็คือกายนี่เยนธนาสุขทุกิดเลยก็อยูนที่กายกับใจท่านั้นนั่นแหละสัญญาคนจะได้มนุษย์แขงขันขันก็จะกายกับใจมี่งานเอาขันก็กายกับใจนี่และผุ้เเจ้าสอนธรรมะธรรมโอแกเมือนไม่ได้สอนแต่ทีเอื่นสอนเข้ามากายกับใจเท่านั้นเพราะสวรรค์นี่ผานรกอยู่ที่กายกับใจเท่านั้นเกิดขึ้นจากนี่นั่นแหละข้อสำคัญ ไม่ขวอนกัดสนและพระเจ้าสัจจะลูกทุกสมัไทยหลดนักสัจจะลูกยเข้าใจขนาดนี้ข้อสำคัญนั่นแหละมีคนนี้ไม่น้อยไม่อยมากนั่นแหละธรรมะของจริงเมื่อเราเจรินมักโคมักคาทางดำเนินให้แก่แล้วอินคือยก็แก่วันย์ก็เต็มผมควรแก่มักผลกันนั้นนั้นเรียบร้อยบำเพ็ญมักเกิดสมสมบูแล้ว จากนั้นจจตก็เห็นจริงแจ้งขัดในขันห้างพกขัดขังขันเจตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดคมถือไม่อยากได้ต่อไปแล้วเจตก็วางขุดโธวางพระเถรเจตกมพับลงสู่คาิกะสมาธก่อนพยยามบรรลุขัขนันนั่นที่นี่พระธารีบรรจับขันขานพระหนักอานาจสมาธิครอบงาแล้วไม่ให้ จะปวดแข้งปวดขาเจ็บอะไรทุกอย่างไม่มีหมดนั่นแหละลงไปถึงฐานนั้นเป็นขันอะเอียดหยบลอนหยเกยมเด่นดนานี่ซี่อนักถิสันตจุพลังทุกขังความทุกข์อึดสมอในจิตสงบไม่มีหาคุณที่เสมอเหมือ น, มม น, ไ, มมนไม่มีเพียงจะว่าขั้นกะเ่านี่แหละอันนี้ข้อสำคัญจิตละหัวตาจุดเบา เพราะอำนาจสมาธิกายละโทษตากา่เบาเพราะอำนาจสมาธิครอบมั่มมีรสชาติอร่อยเยือกเย็นเดชเจ็ดได้ลืมลดของความสงบแล้วนั้นเจ็ดนั่นก็อาถรรพสั่นใจล่าเลยไม่หวั่นไหวสติปัญญาพร้อมนั่นแหะปัญญาสมาธิเกิดขึ้นพร้อมโอ้หนหนอการเจริญธรรมผลใดๆเป็นอย่างนี้ เป็นของฤาษกรเสืดแท่คนที่ประพฤฏิบัติไม่ไม่หวั่นไหวเอาศีลเป็นแบนเพราะได้รับผลอันเือกเยนต่ลาเลิลงวันเทองสุดสดินั่นเองตอนจะนั่งสัทธาฤาษีสมาธิปัญญากำลังห้าอีกที่ห้าเกิดเ้นทะ้มอมนะหน่นจุดให้แ ก, ก่กันานาจสมาธิก็มีนิจให่งก้าหารสารันใ สลัดลู่ทุกอย่างไม่หวั่นไหวเห็นทุกอย่างอ๋ออะไรหนอะเป็นของเราไม่มีทั้งนั้นเข็นแจ้งซัดจำคําสอนพระเจ้าทุกอย่างฉังขานขันนี่อันนี้เป็นมูลฐานโรงงานใหญ่เช็นที่อาศัยแต่แล้วโรงงานนี้ก็ไม่นานเนอก็จะประาศัยพระาตจากเราไปนั่นที่นี่เรามาอาศัยเขาก็จงตรงรูดเล่นนั่นแหละรืดเล่น บำเพนญสะสมเอาซึ่งมรรคผลให้เกิดขึ้นบนญกวศลให้เกิดขึ้นจากโรงงานนี้นั่นถ้าจะไปสวรรค์ธรรมโลกก็ไม่เส็จทางที่จะบำเพ็ญมักเจริญสุนจะมมที่ปัญญาไมาในใน่ได้เพราะไปอยู่โลกนั่นนี่จะไปพักก่อนไรลอนติดขุกส น, นั้นและนี่ไ ม, ม่สำคัญเหมือนโลกมนุษย์สมบุญทุกอย่างนั่นแหละอุตสากิรมเกิดขึ้นอีก ขนวามสองก้าวจะนากรไหลข้าเปียกหมดบางข้นงนะโอ้เข็มุกแสนสบายเลยภารกิจิกจเกิดขึ้นอีกมันก็เติมข้าพิมดเกจอีกเน้นแต่งแผลหนาบตึงทั่วกายนะอ้าวกินเมื่อนอนก็ไม่หวั่นไหวทีนี้มัดเขาน่ะเนี่ยอำนาจทำทั้งหลายมุ่งอบมำทำลายโอ้การจับเกจเกิดขึ้นเน้นขึ้นน้ากระทับฝังนาบต้งนาบตึงทั่วกายนะ มันเป็นเพื่สัจจันที่คืจริงนะธรรมะนี่นั่นแหละฉะนั้นจูว่าเลือถอนจิตใดเสีใจนั้นกหันใจใสโอ้เพลงคาติเตเกิดขึ้นอีกอเหมือนจะหอบใหอบฟ้านั่งบางครั้งนะเบาใจเบาจิตเบาอ๋อเหมือนมันหอบขึ้นเลยย้อนยกลงบางครั้งเหมือนก็บอกมันหยาบดินนะละเอียดอ๋อมันหอบมาโดนกันหมดแล้วกันหมดเราอ๋อครั้งละเอียดจึงรียกว่าหยาดิน ไมนปานอะไรอำนาจจิติพระาคุจิข้อที่ห้าตัวเชนนีเชิ่มชาบุกายบุกิจเข้าแล้วนมากินไม่นอนก็ไม่เป็นไรถ้เริ่มบันเทิดีทำทั้งหลายกิวขึ้นจิตจิตข้านเป็นกำลังของใจหมุนใจก้าหันตันใจมีสติปัญญาสลัดรู้ไม่หวั่นไหวต่อธาตุขันเนธนาขันชนาขันสังขานขันวุญญาณขันไม่หวั่นไหว ไม่หลงส่วนเกินจะเป็นสไตายใหม่บ่านี่ข้อสำคัญ น, นะจากนั้นแข็งสว่างเกิดขึ้นออกหน้าออกตาหูโล่ก็จางแจ้งแน่เกิดขึ้นคําแรกอ้าอ้าข้าแรกนะออกขํางข้างข้างหลังก่อนร้อนนะออกไข้ใตข้างนะหันหน้าดูไม่นยดิเนลูนตาขึ้นก็หมดลับตาเข้าเพ่งอึออกอึออกหน้าออกตาด้วยอย่าง น, นั้ น, น, นนะออห ล, นหลนะ า, ายวันแล้วคืนน ะ, น ะ, น ะ, นะโอ้ ทีนี่ก็นักเข่าแก่ก้งางุ้หงนะโอโสว่างวัดแม่อันนี้เป็นสงสว่างล้วนนั่นเองมองเห็นสิ่งใดบนัน้ของที่นั้นมีอะไรเป็นไงรู้เห็นธมนั้นเมื่อกดฐาอากำหนดจุดไฟขึ้นรูนดก่อนออโอแมอ่นี่อันนี้ข้อสำคัญไว้นั่นเองเจ้นของเป ล, ลือกกรากนั่นเอการเจริญธรรมะนั่นลองตอนจะนั่นมาก็ มาอย่างไรสงสัยเลยทีนี่ก่อนกาหนดถามผู้รู้พระธรรมคือผู้รู้คือจิตนี่แหละถามจิต อ, อ, อ, อ, อันนี้เป็นอะไรวะธรรมเกิดขึ้นมาเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะนี่แหละผลอะไรได้เกิดขึ้นจากการเจริญธรรมเป็นเหตุอันนี้เป็นผลที่นี่แสงสว่างนี่กระจ่างแจ้งเป็นแสงวารมีธรรม หรือว่าเป็นแสงผันผ่านกรดับเป็นเครื่องสองทางให้เจริญธรรมอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้เห็นเป็นใจทุกอย่างนั่นแหละจงมั่นใจในการเจริญธรรมอย่าได้หวั่นไวหวทุกอย่างนั้นจากนั้นเขาก็ยกทำนาอาสาเดชมาเห็นอีกโอ้บางทีก็โวหลายอย่างไว้จะพา น, นาไมาจบขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นี เขายกมาเป็นดั elephant, them, gone, to to ่างๆไม่จสัตว์และมุขคลหามถิตายมาทุ่งเึื่อไล่กัดกรายกองเครื่องสาดเรือดทีย่ำนั้นแม้ปฏิกุณน่าเกลียดเขาก็โอบกอดนอนจอกินจุเป็นสนานมันไว้และนกกระกุมชนักบ้านชนักปาเลือดเยี่ยงกินเป็นอาหารอันนี้คืออะไรหู่แหละมระอสุภะทราบศบสมัติของทานจะฟังก่อนนุ่ตาย ทายผายไล่สวง็มทักแผ่นเด่นอีแรงก็เป็นสมบัติของท่านจินมของตายตัวนอกเป็นอาหารนกกระกลุ่มตัวนักบ้านป่าก็สมบัติของท่านนั่นแหละจงศึกษาดูให้ถึงใจนี่และอนิจจตาเปลี่ยนชาเปลี่ยนภพไม่วันตจขึ้นนั้นช่องเชี่ยวโยนศพน้อยศพใดญ่ต่ำต่ำสูงสูงรุนุมดอนดออย่างนี้นั่นแหละจะสำคัญมันหมายอะไร นี่เป็นอย่างกเน่ท่นแล้วก็เห็นเจ้านั้นโอ้หนออนุจานักั้งเวทเพาเหตุไดหนอเพราะใจนั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมตามธรรมะคำสอนกระจับใจนั้นยุเรียวชี้เล็ดย่เรียวจำซักนําไปสู่ครบน้อยครบไหญ่ส่วนเมื่อร่างคบไม่ได้ตามกปหมายเกิดดับกระดับอย่างนั้นนั่นเองก็เกิดความสั่งเวทสลอดใจใจนั้นก็มัน ขยันหมั่นเคลื่นไม่หมั่นไหลแสงสว่างนั่นพอเห็นจ็ยันก่อนเปลี่นเน่าขาดศูนจะลจริญหมดตัว่ซึ้งที่เล่นการลุกตะกุ่มก็ตายเจลนเน่าสุนักป่าสุนักบ้านก็เปลี่ยนเน่าตายนี่แหละตัวธรรมะของจริงนิมิตเกิดขึ้นภายในจากนั่นดับไปแล้วมีนิมิตใหม่ผ่านเข้ามาอีกบางคือจะเป็นไฟครึกใหญ่ยิ่งมาเผาเหลนเหมือนจะจังวัดเอาให้แหลขให้ย่ ถ้าทำพูดกันอีกว่านี่แหละบุพเทศาสตร์ังก่อนตัวของท่านหน่าไม่มาจากคุณออกไปทู่งกายสกิ้ง น, นั่นจงให้รู้รู้แล้วเขาก็จะดับไปจากนั้นจนเสือเป็น้างเทศสชี้ยโคบรีหลายประเทศยิ่งเข้ามาเห็นรนจุนจนั่นแหละเห็นเป็นอย่างนั้นก็ถามคูรู้นี่อะไรนี่แหละสมบัติ บ, บุพเศแต่ท่าตังก่อนโน้นนั่นแหละสวยมาอย่างนี้ อย่าพึ่งสงสัยหรอกพระเจ้าว่าสัมเพรภาภวันติสัมเพรสีช่องเจวหาพภพชาติสังขารดีทั่วอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสงสัยต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ได้ตามใจไหายรอกอย่าพึ่งสงสัยว่าอย่างนั้นแล้วก็พึ่งสงสัยจากนั้นแสงสว่างประจางเกงเที่ยขึ้นมาอีกว่าอย่าพึ่งสงสีประตามแสงสว่าง น้อมแสงสว่างมาเพ่งที่กคมหนาอกหรือเทกองลูจมูกลูหูอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะได้อะไรจะเห็นธรรมของจริงเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าคงกิจกรรมแสงสว่างภายนอกจะเกิดด้วยปัสจุบปกิเลสเจนมากถึงไม่เจนมากก็ไม่ไม่ใช่ทางพระออกนอกธรรมะของจริงโดยที่กายกับจิตต่างนั้นพระเจ้าสอนให้ที่นากายก็จิตนี่ นี่แหมันเจ้าของของจริงออกไปนอกเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนั่นแหละก็ได้ยิตาคนรู้ีกกจากนั้นก็เห็นลงชื่อกองหน้าอกคาแรกแรกนะเห็นอยู่ย่างนั้นไม่นานนังก็แต้าคิดดูนะโอ้เลือดพึ่งออกนะโอ้กลัวเว้ยอะไรและทำผู้อสพพูดขห้นมาอีว่ายาพึ่งกลัวนะ ถ้ากลัวไม่ได้ทำนะไม่ได้ตนอยากเพุ่งกวงเต้นแต่งกอสุพะมรณะมาสอนสวยๆนี่แหละกูเจอกระยังโดนเน่าอยู่ตรนี้ถ้ามีชีวิตอยู่ก็น่าเกลียดน่าจังพระที่โตจะบรรดาโลคีมหาสอนคนเขาบอปัญญาจะพุ่งทางกันสรรสริว่าสวยว่าดีลงามกเปล่าๆถ้าลอกหนังออกแล้วภายในมีอะไรหนังห่อเฉย ภายในมีอะไรนี่จะของไปกุนหนักหยาดนั่นแหละตับไตใส่กอกพุงอะไรทุกหลังตัน้อยใส่ใหญ่อานาใหม่อานาเก่าแต้มนั่นแหละนี่จะของไม่ดูทางนั้นนี่จงศึกษาศึกษาให้มันสนใจให้มันได้เติมธรรมะขเด็กเอกสอนใจมันห่วงอะไรห่วงลูกผู้หญิงผู้ชายยกวาหนาสุภคุณใส่มันก็เป็นอย่างเดียวกัหมดจะเอาอะไร ไม่มีของเชื่อยู่แล้วเอาไมา่ได้เป็นหลังน้หมดก็เชื่อมสงสัยจิตนั่นก็ห่วงไม่ห่วงไม่ไงอะไรไม่เอาแล้วของตายของเกี่ยนองของอนีรจะตามหรืองของทุ่กาตานไม่ตามจะไหมของอะารจะตามไม่ใช่เขาไม่สช่เราเป็นหลังนนั่นแหละนังก็เกลี่ยนองตามงลงพื้นแผ่นดินเหลือแต่พื้นน้ำเน่าน้ ำ, น ำ, น ำ, นำเลี้ยงไหลส่งลายอยู่ นี่แหละจงศึกษาของจุิงเป็นอย่างคังแรกเห็นเป็นอย่างนี้การเจริญขันธะเกิดขึน้นเห็นธรรมะเป็นอันยะอัะเป็นอย่างนี้นั่นแหละเห็นแล้วก็เป็นสมบัติที่หน้าหน้าบาดเจ็บหน้ากวาดเขก็ปกปฏิจจุต น, นาคยืดเขาก็ปกสะคอกแท้ยังนั่นไม่นานเมื่อก็เปลี่ยนเน่าลงไปกองขึ้นแผดินเหลือแต่เช่นเอ็นและดูกระดูกอยู่เป็นพวง ก, กว้างนั่นแหละ แย่งอุกามาหยุดแย่งจุดเป็นมหาันนี่ข้องเที่ยกระดาษพบน้อยพบใหญ่สำคัญมันหมายอะไรอนตัตตาไม่เขาเขาไม่ใช่เราหรอกถ้าเป็นของเขาของเราแล้วซ้ายก็คงจะไม่เป็นอย่นี้าตาขันนะนี่แหละพระเจ้าจสอนการเจริะทำเห็นเป็นอย่างนี้ขันแนกเห็นอย่างนี้แจ้งชัดโดยไม่ต้อ ง, งอสงสัยอำนาจสำคัญต่อคุณทรงผลเห็นเป็นอย่างนี้นั่นแหละ อิเลี่ยงการหยุดยั่งนเป็นอาหารหมดนั่นแหละอิเลี่ยุการจึงเสร็จท้องย่องจะพงเป็นอิ่มแล้วมันก็จะตายเหมือนกันตายพับแผดเด่นเป็นแต่ธาตุอาศัยธาตุธาตุบำรุงธาตุเท่านั้นไม่ยุง่งยงเง่งทนถวาวรตามใจหมายหรอกนี่แหละทางบุคคลทำไรฟังไว้ถ้าเจริญไปอาจจะเป็นอย่างนีง้ก็จำไว้นั่นแหเป็นลิสาธรรมะพันเงเอก สำหรับเพื strong, ่อจะแก้เจลูกจิตใจเื <confer> EN> <D endeu> 을을่อมันยึดของร่างกายแต่ว่าสวยว่งามว่าดีว่างามเสียเป่าอาชุพอาชุพังเจนองปฏิคุณณาญาเติเขาก็ปกติโค้กทื่อของจริงนะนั่นแหลเพิ่งไม่นานเส้นเอ็นเจนองข้อมือก็ตกไปข้อแขนก็ตกไปกระดูกไหลก็ตกไปหน้าอกก็ตกไปกระดูกคางก็ตกไป กระโหลกศีะก็ตกไปอ ก, กใใอกงก็กระจายเหลยรายกระดูกซี่โครงก็ตกไปสันหลังก็ตกไปติดกองกองก็กใใะระจายเรียลายเต็มพื้นแผ่นดินไม่ไม่กาวกานั่นนี่แหละอนิจจตาของของจุงเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละเส้นลมหายใจแล้วเจ้าตัวออกจากล่างรวมจก็ไปสู่ภหมาแล้วพทาดทุ่งตามสภาพดินเป็นเพื่อรวบรวมไว้ กลางรุ่งเพลิดเพลินนี่แหละทุกตาเป็นทุกไม่ได้ตามกระไหมของโลกผู้มู้งสัตว์ผู้ยึดครองผู้ไม่ได้ทุกขเสกิตนผู้ได้ฟึกสอนอบรมจากกรรมคาสอนพระเจ้าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายเนี่ตังมะ ม, ะมะไม่ใช่หรอกนี่ยสมามาสมิเราไม่ใช่ร่างกายณนะั่นแม่โสตติร่างกายมันมีในเราพระเจ้าสอนนั่นแหละ เห็นเป็นอย่างนีก่อนเช่นสงสัยเลยไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรานั่นนหะเห็นเป็นทางขั้นแรกมี่การเจริญธรรมขั้นแรกเห็นอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยกะนั้นจึงไม่หลงไม่ลืมจึงนำมาแสดงท่านบุคคลคำทั้งหลายที่เราอยู่ในฟังนานมากกว่าดีจะสลัดขึ้นทุกเทเพราะเราอยู่ในฟังใหม่ก็จำไว้เจริญไปอาจที่จะผ่านพบเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ แล้วขจัแก้แก้ลุดจิตใจออกจากเพื่อมันห่วงใยอะไรในพศัสทังขานทั้งเขาและเราเป็นอย่างเดียวกันหมดนั่นแหลยอัชะตา่าภ า, ายในเื่อตัวเราก็เป็นอย่างนี้เจนเาศากขุนเจริญหมดเจริญพระอนินาร์ชายนอกระดมก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเจนเาศากขุนลงเป็นยินเป็นน้ำหมดเจรินดินเป็นที่รวบรวมไว้นั่นเลยทุกตัวสัตว์ฝังดึงหมดเจริน มีสมบัติปัจจัยอะไรที่จะค้นไปจากครมฝันดินนั่นแหละธาตุในน้าลมไปเป็นปจัจจัยเค่อาศัยเสี้วคราวชีวิตของสังขาร น, นั่นเมืองกายคอนนั่นเมื่อถูกดาวดาพิษหอกแหลมคมกล้าของพญามาตุลาทุ่มแทงให้ชิพหายวายพวงแล้วก็หมดทั้นั้นลงเป็นสมบัติของดินดินก็นที่หลบลมไวสมบัติปจัจจัยทางสีในน้ำลมไป เป็นสมบัติของโลกยืมโลกมาใช่สอยโั่คร้าวตอนนั้นไม่นานหนอก็ส่งเข้าไปกับโลกคือแก่เจ็บตายทอดทิ้งไว้อย่างนี้จะเผาจะฝังก็ดีดินเป็นที่รลบรวมไว้ตอนนั้นจะเอาไว้ทีหนังก็เขาก็ปกครองนี่ข้อสําคัญจงศึกษาเมื่อรอมลงถึงฐานนี่อันนี้เป็นข้อสําคัญนั่นแหละทีนี้จะทําอย่างไรเรลือจะกผู้รู้ ก็ดูก็าสาทปนั้งหมดแล้วแล้วที่จะทะลุก็สติเพรานั้นจะทําอย่างไรก็หมดอยู่ใส่หันหน้าหันหลังไหลแล้วที่ว่าหัวแขนขาจมือมันหมดกไปแล้เหลือจะทะลุคือดวงจิตเพราะนั้นอำนาจพัศนคติสมาธิขอบํานี่ก็เป็นที่อาจารยใจไม่เคยเห็นไม่เคยมีเกิดมาในโลกนี้ เมื่อมาบวชเจริญธรรมเห็นเจะมุขันแหรกอ้อจะทำอย่างไรเนอะหันหน้าหันหลังทีิ้งก็ละทำก็พูดขึ้นมาอีกนะอย่าเพิ่งสงสัยเจ็ดตอกเขาครบละเอียดแล้วนั่นแหละจะได้จะเสียก็คันนี้จงน้อมจิตเขาหาผุรุ้ผู้รู้คือใครหรอถามเขาผุรุ้ก็คือเกจีเลยเจิตสังจิต โอ้ข้อกำหนดครบเต็นเลยนี่บมอผู้นี่เนี่จะทำอย่างไรจะทำอะไรต่อไปโอ้ก็อพิจารณาแล้วพิจารณาเชื่อมตงใส่แล้วไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราก็อันนี้จะตามมาเที่ยเป็นแบบางนี้หมดทบทบาดแล้วว่าอย่างไรที่นี่เกือบสอนจิตนี่ละท่านสมบัติปัจัยได้มาแล้วเพียงเท่านี้ทีนี่จะไปรู้ใจจะอยู่จะเลื่อยจะหลงจะโกระวางพระหนักนั่นนั้น คือตัวเหตุฉะนั้นจุดเห็นเป็นอย่างไนโอ้ไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราเสียแล้วอะไรเนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นแหละตัณหาเป็นตัวเหตุอภิสาติเป็นปัจจัยสัมยต่ำนี่แหละจิดเห็นเป็นอย่างนั้นก็ทําลายครซะทําลายด้วยอะไรทําลายด้วดาบเพชเศ็นทําลายสังขารสักางถุกเหตุให้ตกไปจากใจสมาธ ดาบเพชรทำลายสังหารยิสุภุสสะให้ตกไปจากใจปัญญาดาบเพชรทำลายสังหารชีรบาตาตระมัดให้ตกไปจากใจนั่นแหละที่นี่เมื่อตกไปจากใจได้แล้วตอนนั้นมาก่อือูรุผู้ขลุกว่าจิตจำดันจังทุขวาหฮาเตจิตเทิดศรัแล้วนำถูกมาให้นี่มันถูกแสนถูกในขณะนั้นทวกเหนือจาก จิตต้องมพันเลยวลาหนี่นนะนั่นเลยจิตก็พูดกันมาอีกว่าปฏิปันาปโมขันติจายโนมันพันธนามานันกิเลสตามันคือกิเลสสังขารมันคือสังขารอภิสังขารมานัมนคืคอกรร ม, มทั่วเทวตามานันกบดีนั่นนั่นเลยตาม ส, ส, ส, สังหารตามมขันหมดเราตัด บันไดขั้นต้นตัดทางเลวตัดนาำเพะทางมานตามไม่ามหมดนี่เลยท่านแรกเป็นอย่างนี้ตอนจะนั่นก็เป็นอย่างไรในขณะนั้นเจ็บสังหารดาบเพชรสังหารไม่ขาดเลยอ่าสําเวจถามมันแน่เลี้ยวแน่นจริงๆนะท่านอย่างไรมันก็ไม่ขาดจะมาเจ็สังหารไม่เกิดขึ้นโอ้เป็นอย่างไรเนาะ เจ็ดพูกเขามาอยู่นะอันนี้เป็นแกะพังคพระประหารนะพระหารด้วยพระหารด้วยเสน่ห์สมาธิปัญญานั่นแหละหรือคำพนะกนประหารพระหารด้วยเสน่หสมาธิปัญดาเท่านั้นแหละแกก็ดูมนถ้าได้เจริญทำเห็นเป่นดังจะเจนสิสใจเนปัจจัยท่านสมัยต่อไปอยู่ข้างหน้าเร็วเหมือนการข้าแรกเพราะ รับดาบเพชรคมกล้าพร้อมแล้วนั่นแหละไม่ต้องหวั่นไหวนี่ข้อสำคัญนะอันนี้แหละขั้นแรกได้แต่เพียงขั้นตะงังพระประหารเลขคำพระนะประหารเท่านั้นเดี๋ยวจะพูดใ น, นอีกว่าตะชังปรหานด้วยสมระกรรมฐานเดินอยนังเลขคำพระนภะประหารปรหารในวิปัสสนาพิจดนาขาดขันน้อมลงสู่ใจลักแขนแจ้งพระจักมั่นแหละพูดอย่างนั้นนี่ขั้นแรกเป็นเหล่านี้ ได้แต่ขั้นตั้งทางก็ฝาหันนั่งชมเวลาดูทำโอ้เราก็บังเพนมาสมควรเนาะอ้ามันก็บำเพ็ญมาสมควรแต่ฟังก่อนนันเป็นเหตุเป็นผลพบนี่เป็นผลพบฟังก่อนเป็นเหตุบงเพ็ญมาจากนีนั่นแหละทําไมเราจึงไม่ขาดโอ้เป็นชื่ออ่อนเลยพูดว่าอย่างนั้นเอ็นชื่ออ่อนเวลาดูทาก็อ่อนได้บำเพ็ญมาศาสตร์เดียวเท่านั้น แต่พบกังก่นอนโน้นศาสนาพระเจ้าทสุภด harma ใช้ชีสเพีลชาให้โตก่อนพระเจ้าพงองค์ที่หกนนเนี่ยนั่นแหละการบำเพ็ญธรรมชาดนั่นเป็นขั้นแรกจนถึงว่าตายผ้าเหลหยังห่อเข้าไฟแต่ยังไม่แก่แต่จนนักเจนปัจจัยเจนสงฟังไอ้ถูกใจแล้วมาพบจึงได้ดำเนินทางเกา่ามาแล้วก็ต่อตลอดหลับลื่นนั่นแหละทางใหม่ในเก่าเจนนักเป็นเฉื่องสง นั่นแ่ะมั่นคงแล้วก็เป็นมักเป็นเชื่องของเป็นเชื่องทหารมันอ่อนจงเจริญไปเช้าก่อนจะพึ่งวันไว้นั่นแหละเจริญแล้วเจริญเล่าเพิมก้าจนจนเชื่องจนวันไว้นะอ้าแล้วไปทําจุดวัดลุกภูเขายุศาท่านกระไรฟังโออดีมากเหมือนกันท่านบ้างถ้าได้ขันนู่ก็ดีมากเป็นใสัยเป็นตาใจให้เจอ้นไปเสมอเป็นเหตุให้เรานั่น ได้มั่นคงในการเจริญธรรมไม่หวั่นไหวเดิมรถของคมสงบแล้วดีมากเป็นนิสัยเป็นปั จ, จัยต่อไปอย่างมากจะได้แล้วเม้นแสงฝ่าแล้วนัวว่นแหละมานอนช้าเพราะมันเต็มเปลี่ยมขึ้นมีข้อสำคัญนี่แหละข้อสําคัญมันหมายการเจริญธรรมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกท่านได้ยินได้ดฟังแล้วโอปนัยกรน้อมสจใจให้ธรรมะนาไปก็อพืชปฏิบัติพึกขัดอบรมให้มันได ถ้าไม่ได้ขัน้นขมเสดขับประหารก็ได้คั้นตัดทางขับประหารยุคอขับประหารอย่างนี้โอ้ดีมากจิตนั่นจะไม่หวั่นไหวจิตได้ฝึกฝนดีแล้วเหมือนมากแก้วสารพัดนกไม่หวั่นไหวคำนั้นนี่ข้อสําคัญนะอันนี้จงทำความเพืยรไม่หวั่นไหวยกเรื่องหนึ่งมาเล่าฟังว่าครั้งพุทธกาลนนทนมีตะกุนความตนะุณหนึะความหม่นหม่นเนาะนี่ได้และ เรียกกันแล้วก็ได้บดคนนั้นบดคนนั่นนะควาดออกมาแล้วแม้ตัวดาเหม็นกาฮหูข้างนึ่งขึ้นข้างบนข้างหนึ่งลงข้างล่างตาข้างหนึ่งขึ้นข้างบนข้างหนึ่งข้างล่างรูจมูกรูสั้นรูยาวแขนข้างหนึ่งยาวแขนข้างหนึ่งสั้นขาข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งกันดําเหม็นกาเดินกรุดบหยั่งกระลบหยั่งนั่นแหละ อ๋อพ่อแม่ข้าสว่าไหมยังไเ่ว่าบนมาวันสงฆ์จะได้พ่งาศอย่างไรพ่อแม่ให้นามว่าอ้ลามกบักามกสมบัตินเหมือนเขานะลามกีมาพอใศึกษาโรงเรียนคันสมัยเขาดีเลิพอใหญจบกานศึกษาโรงเรียนเลยนำไปมอบให้พระกรรมฐานเอกพระกรรมฐานใหอานันท์ขาา จงทรงสมุตตารับอาลูกข้าพเจ้าไอลาล้ละมอกดิให้บวดเป็นพระพระในศาสนาต่อไปเถื่อว่าจะท ำ, ำคุณํามควาดีนะสำละสมวัดอัลละมกลำปืนไม่ดีนั่นเขาให้หมดไปสิ้นไปเออรับไว้พอรับไว้แล้วไอ้ละมกอ่ะท่านอาจารย์จงเมตตาเมตตาผมตัวว่านะเมตตาผมก่อนเปลี่ยนชื่อเสีย ง, งนามผมหม่นะ ลำมกร่างกายลำมกยังว่าลำมอกอีกคอมเมนต์โอ้ซ้ำเติมซะเลยเนี่ยไม่ได้ท่าก็บอกว่าไปไปหาดูว่า น, นอนย่นใหญ่เขือนสียงรืงนานดดีเลยเนี่นนะนํามาฉันับเตลี่ยนให้ให้น้ำใหม่ก็ไปเลยไปเห็นคนหนึ่งนอนกลางข้างมะคานะข้างมคาทางคี่น้องนั่งเข้าอยู่เป็นอะไรตายเอาทำให้มันตายเกินมันต้องตายละท่าน เชื่อเขาว่าะอะไรชื่อนางดีนายดูสมัยมันตายอาอ้าวเดือก็าตายสวกว็าตายพอันเดินฟ้าก็าตายล้ายึงบนอะไรก็าตายไม่ต้องสงสัยดอกอาไปอีกไปเห็นทพืหญุงคนหนึ่งนะเขาปลูกจอกเทหลําอยู่ไม่เลียงตีนะเองให้อะไรเอนอยู่เจ็นอะไรกันโอ้ยโกหกพวกลมดอกทองจองของโคตไม่เหมือนนั่นแหล ะ, ททแบบหะลไปหลอกยงเงินสนมาใส่แสนบาท ว่าให้กาไรดอกเบี้ยก็ไม่ให้เท่นก็ไม่ให้ว่าไม่มีฉันก็ผืกสอบไปลองไปหนอยเอามาน้าใจอเออชื่อเขาว่าอย่างไรชื่อนังรวยเอานังเลยทำไมมันจนอ้าวเสียงเสียงยังนามบักพานไม่เป็นอะไรจะทำให้คนรวยคนจนไดชือนเพลงก็แบบตีตีป้ายสวยบอกโคดเเื่อด่านตระกูลสยนังรวยเนี่ยเออไปลไปเห็นคนหนึ่งเดินทางมกเยนาอยู่ถนนสีแดง หาอะ้รเพื่อนอาผมลงทางเพื่อนอาทางซีแวงจะไหนไปได้ไปแล้วมันถึงจบหมนปลายทางนะชื่อพบเจอเชื่อว่าอย่างไรเชื่อของผมว่านายทางนยทางทำไมลงทางโอ้พอเนี้ที่ไปบอกเสียโคตรสวยๆถ้าไม่บอกชื่อให้จะก็ไม่ว่าอย่างไรอ่ะนั่นแหละอ๋อจิตผมใส่เลยกลับบ้านท่านอาจารย์ผมมันเปียนดอก ไปเห็นคนแรกตายข้างทางก่อนนาดีมันก็าตายคนที่สองถูกขลอกให้หลังไปอยู่คือนางรวยมันก็จนไปเห็นคนที่สามเดินอยู่ถนนตือแท่งยกเย็นหน้าหลังอยู่ว่านางทางก็หลงทางนี่มันจึงอย่างนี้อ่ะบวชบวชเลยบวชแล้วสอนกรรมฐานทห้นั่นแหละอนิจจาทุกคตาอนัตตาสอนกรรมฐานให้ทุกอย่าง จงไปเจริญธรรมอยู่ป่าเขาเรานองไทร์นะเพ่สงบสงดอวิชกังคะอยู่ป่าเป็นวัดโสอวิกังคะอยู่ป่าซาเป็นวัดเนาะนั่นและเนี่ยท่าเสกังคะอยู่เยี่ยมเขาเป็นวัดในเสกังคะนอนผ่อนอาหารนั่นแหละทำความเพียรมันจึงเป็นไปนะเธออย่าได้หวั่นไหวไปตามขักขันมันจะเป็นอะไรก็อย่าหวั่นไหวนั่นแหละ่อยวางเสมอไม่เค่ของเขาของเราหรอก ชาิขันไม่อยู่แต่อำนาจจะหมายใครท้งนั่นนี่ข้อสำคัญนั่นแหละไปเลยเข้าสู่ป่าทาล้านขอนั่งขอนะแงจอดตรงนู้นไปจะตั้งใ จ, จเจริญสมณะธรรมน ะ, อะพอพุทธประทับประสงค์จงทรงพระเมตตาสวยก็หม่อมสันให้เป็นปในศาสนาธรรมคำสอนประจนั่นแหละจะไม่นอนจิงก็จะเลิกละเอาสุดห้าวันที่หากคืนนะ ไม่นอนไม่กินกินก็นานเดินเดินกงกรมพุทโทธรรมโมสังโฆเท่านั้นเองจนเท่าแตกเดินทั้งวันเพืนเท่าแตกวันอย่างทำเพื่นอนย่างรุ่งถึง่อดห้าวันเท่าแตกอ้อเข้ามันแตกไว้เออตาเนี้จะตาไม่เท่ยงมันแตกทุกาตาเป็นทุกคือเท่าแตกเจ็บปวดอันนั้นจะตาไม่แตกเขาไม่จะเราแม่ เออเราว่าไม่ให้มันแตกมันก็แตกทีนี้ก็เ อ, อ, อาเจ้าไอ้เข้าไอ้เข้าืาาินตัวกับสันอาใช้ซุ้งกันและกันมาแล้วแต่นี่จะให้สันไปหายามาเปล่ารลมไม่ดอกเสียเวลาขาดคนได้ถึงจะขนมวามเครือ่องเฮื่อนดูบูเสืียซะปันใดเธอก็เพรยิ้มใสยอย่างนั้นต่างคนต่างรักษาคณะที่ซุ้งการละกันนะอ่ะ ่านแต่กรมเลยนี่นี่แหละของจุณงจริงนี่ธรรมะทำใจเห็นร่างกายเป็นอาสาธิตเรามาอยู่กับตัวอาสาธิตอะไรศาสตรนี่จะรอวันเวลาจะทำลายเสม อ, น, น, อนั่แหละทานแต่ลกรมพุทธโูมิอนิกตาไมเ่เที่ยงเสียงพูดเหมือนกับหมู้องทาโมทุกขงังละหมากกายเกิดริพบบพันไม่ได้ตามใจหมานเป็นเสียงหมูลอง สังขอนัตา ต, าตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเนี่แหละยื่ยามนั้นคานเราจะปมเราจะได้ไหมเนาะไม่ได้จะนอนตาเยเสีแหหอแล้วยร่งห้าหมอเล่นหม่ไหมเท่าไรแหละอืใช่เสว่านี่ยเนี่แหละมันเป็นเครื่องติดจิดธรรมะไม่เห็นทุกข์โทษใครของสังขารเนี่ยเส้นน้อยๆก็ไปเลยเห็นวัดใหญ่ก็ไปเนี่มันก็เลยเห็นทุกข์ขันเนี่ย นั่นแหละโยมาวันหนนายพานแบกห่อออกจากบ้านสาพานยาพิษอย่างกล้าจนขอเดินทันงไปเห็นาโอ้อะไรหนูใหญ่นะตับักใหญ่ทปกติพิจารณาแล้วพิจารณาเราโอ้จะทำอย่าง t รเนาะเอาฮะตัดิใจหอวือนะาองเียงเลยโอ้ตกใจนะตกใจ นั้นแหละไม่กลัวดอกกบใจโอ้พรถูกหอกแล้วกำเลิกออกเช่นเป็นพระหัวโดนหมกโอกที่เหลาฟ้าเหลืองเช่นเอวเสเลืองบ้างมัดนีงแหมขีดเด้วไว้ไม่เอาหอกเลยเขาในครานเขาบ้านตอนนั้นพระอาจารย์ละมกท่านก็ถอดห่อออกแล้วท่านก็เอาผ้าอุดอัดเรี่ยมเลยนี่แหละเจ้ารงศึกษา อเนกตาไม่เที่ยงทุกอา จ, จกตาเป็นตุอเนกตาไม่ใส่เขาไม่ใส่เราแน่นอนถ้าเกณฑของเราแล้วไม่ดอกนายพานก็คงจะไม่มาพึ่งหอกใส่แน่ๆธรรมมาอย่างนี้มาดียนก็พบก่อนโทษปนาที่บาตตามมาให้ผลบันดาลให้ในายานมาพึ่งหอกเธอจงยาดสมาธิพร ะ, ะวยะธรรมาสังฆาลัร่างกายจะหมดไปขึ้นไปวันนี้ ยาในสมาธเอาให้ดนไตรสนะวันนี้พระอุตตรนิพพานอีกทุกโ์พทุกขังธโมทุกขังสังข์โอทุกขังทุกข์พออนิจตาธรรมโมอนิจตาสังข์โออนิจตาทุกข์พออนิจตาธรรมโมอนิจตาสังข์โออนิจตาสิจบุพตลงสู่ขั้นคันญาติขาดนี่ยอ๋ออะไรนนเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัณหาเป็นตัวเหตุทุกข์เป็นผลธรรมโอไทยเป็นเหตุของทุกข์นี่แหละ ก็ยึดดาบเพชิเชิรรมาธิปัญญาจังหันได้ทีเรายวทำลายขดกวนทำลองตันหงาภุหะรลื่อนออกหมดทางมูลล่างเหง่าเข้ามูลมัดอาวิษาตันหาไม่แยกเศษจะได้นิจสาโตปฏิปุตโตติเพื่อหมดความหลาและความหลงหมดแล้วนั่นแหละได้สันนิษอานตผลผล็นอาศัขาบุคคลผู้สดกจิตึงทาแล้วเพื่อแก้เล่นกินทุกอย่างเมื่อพินาสาติ เราเป็นที่นาศกตวบของพะระคุณพระเจ้าสมบูรณ์แล้วช า, า, า, า, าตินสันิ้ไออายมันติคาติสัตว์นี้เนสัตว์สุดท้ายในการเกิดลลกสามมีมีต่อไปนั่นแหละอกุปปามีสิจิดเป็นอกุปปธรรมไม่กเมยุ่งภพาตน่อใหญ่ไม่มีนาทิพานี้ควะติปัจเจเนันญาณเกิดขึ้นโอสัตว์มเกิออดอดีตก็สาบคุณแล้วอนาคตก็สูงเรื่องบนอย่างลางปัจจุบันเสืมหมด เป็นส่วนโตโลโก้ภูษสไม่เนี่ยนั่นแลอายมันจะมาสตินี่แหละต่อเมื่อบดเหตุปะจจได้นั่นเน่เข้าผลิพานแล้วโลกสามไม่มาอีกท่านก็เลยพุทธอหายธมบุหายเต่าพทธนะยาพิษก็หายพุทธพอหายธมบหายเต่าพุทหายพุทธพอเจอดธรรมเจอดังเจอดาวพุทธหายยาพิษมาแเจ็ีหมด ทางนอกเท่างใ น, นเรียบร้อยมีอํานาจโลกยุยะกุศลเกิดขึ้นโลกุระกุศลเกิดขึ้นคือพระอรหันต์เป็นของที่มันกล้าฤทธิ์รประเสริฐสุดมีอํานาจของการเจริญเสถิรรมที่ปัญญามักแต่ปวดทรงเจ็บกรรมศาสวิปัสสนารวมเข้ามาอันเดียวนั่นแหละฤทธิ์รประเสริฐแา บ, บนั้นไม่มีส่วนใ ด, ดสม บ, บูรณ์ไม่เหละเจ็บไปได้อนานาจใจ ชาหานตันไจก็ดีเลประเสริฐจากนั้นได้แรงใจหมเมื่อท่านชิมเจ็ดหายชิเลทุกประเทศบาปเย็ก็หมดเชื่อมอาโหสิเลิศหมดนั่นแหละโอ้ดีแล้วเลยจากนั่นก็ถึงเวลาก็เกลมของลองรู้ใช่่ะเข้างานะบัดเ่อเอาน้นฝ้านิดๆมาลงปฏิทิได้จำพันองนะเมื่อดฝ้าอ๋อเจ๋งมากไว้นั่นแหละทาโลกกับท่านวันไว้ นาคุดเทบราอินทรมสาธุการสนันวันไหวนี่ป็นยอดนักป่าเป็นผู้ริเริกดไปแต่แท้ทำควาเพียนเผาที่ดเดาร้อนถึงถึงอกในพันเอ้งก็ไม่หวั่นไหว้องขาดเงินกวมนะนี่ก็พระเนนทุกวันกจขำไมเอ้ยเมือป่าก็เดีนเนาะนี่เป็นนิดนหน่อยก็เร่งไปหาหมอเสียหรนั่นนันกัหมอนันก็ปกติไม่เห็นทุกของสร่งเชอแล้วทำกับกานกบัดราบไวอุปาชัน ข้าเจสาทุขโขปนิตโตนามะท่าอาจารย์ผู้สลาดเจ้ากับผมคนแล้วจากเครื่องวัตรทุกอย่างสำเร็จเฉลี่ยบรล่ที่ท่านแนะนำคำสอนท่านเป็นผู้มีคุณดั่งริ่งอริมาเอ้าทำรึทำเรา ด, ดูละเข้าสม บ, บัติปั๊บขอบนฝาเลยนิสวรณ์สุดท้ายจงบุนออกมามืดฝานี่กับขึ้นกับลงดเลยเอริมานั่นเละน่มันเดินด่งน ตอนตนั้นคนประเทศเพศนนั้นนะจะขอดบุญนะโอ้มันไม่ออกคาแล้วมาขอนนะาละมณ์นาฬการละโมท่านก็ทำละมณ์ให้หนักตัวหังข้ากีนนี่เน้นหน่อยคือหันอาญาซาติโสติเจนตุโสธิขปะสะพุดเลยไปกินกินป๊อปออกได้ได้เลยแม่ข่านมาอยู่ไปมานมากนเอาหน้ามาร้างบรรลงังเท่า น, นั่น ง, กนออกองก็ไปจุกก็ออกเหกันถือเข้าเจ้าตัวท้ายมด ที่นี่คนประเทศนั้นแม้จนคนไม่มีพระไตรกรมสามคืนห้าคืนแสดนะอยู่เฉยๆเลยเสียเปล่า็นอามงศักดิ์ธรรมโมนั่นแหละไม่มีสนาที่พึพ่งพุทโธธรมโมสังคมนี้ชีเข้าเจ้าศูนย์ตายจปบ้านนะช่นักโผ่ บ, บริกองกอดก็ไม่รอมากทีนนั่นแหละอ่าทอย่างไรได้มานมณฑล่านอาจารย์นโ ม, มไปโอนท่านก็ไปเลยไปก็ทาน้ำมนตให้ไปปะ แล้วก็เกสดคาถาใท่ไอ้ปอลเลยโอ้ถูกทำลายถูกนํามนเย็นของร้อนเขาจะจะตายหรือไม่ น, นี้ก็ตายปอลหุ่นใบตาแตกคูแตกไปเข้าป่ามดหานั่นท่านจะทำมนให้กินอาบหายลบไข้ไข้เจ็บลืมเลิก <S 1> <S 1> แล้วท่านก็เทนาสั่งสอนรู้ก่อนเราท่านทัางหลางเป็นมนุษย์สัตสูงสุดแล้วไม่มีสมัติสูงสุดเป็นผู้ถึงเป็นเครื่องประดับนเป็นโมฆะมนุษย์ จงมาเอาพระไตรกรมสามพยานตนสนวสุปาปยกาแนะ น, นําคำสอนให้เขาถึงพระไตรกรมสามในศูนห้านั่นแหละเขาเสร็จแล้วเขพอใจข้าการเจริญไ ด, ด้พระเกดมรรคนาเข้ายืนเมล็ดละเฉียงสนดันบันไวเกิดขึ้นต่อจากนั้นชือเข้าเจ้าศูนย์ไม่เนยนักโคมวิริศป่าสมอยก้อยกองก้อยตังลงคงข้างไม่มาเลยค ว, วามน่าพระพุทธธระธรรมสงค์ความน่าคนที่เป็นชิ้นธรรมนิยาม นี่เลยทั้งไ ด, ดูการเดินเจ็ดเป็นแปดฟ้าไม่ตกฝนไม่ลงเขาก็ไปนิมนต์อรัตนนาอาจารณมกไปช่วยเหลือท่านไปก่อนแล้เนี่ทั้งยนกรรมท่ทํามาแต่พอก่อนโนนพระพุพะทธปฏิ บ, บรัระสองนะพระสารคูตตะเทละช่วยเหลือเ้าสบัดขอฟ้ามิุษยต้องเหมือนเหมือนองนะบอกอโปเทพบุตรวายโยสทบุตรตีพุ่งขนาดนี้ณทาการตามหน้ี่้าตกฝนลงมนุษย์ทั้งนะหลงาย ได้ทำไร่ทำนาโยกินลำนอนขบุนเชื้อทานได้เข้าป่ า, าระงมแล้วพวกท่านทางหลังจะได้ส่วนบุญกับเขาเขาก็ทำงานตามมาเท่ฝ่าตกลลลงแต่ทำไร่ทำานากินสนุกสนานนี่แหละอำนาจบนกรรมที่สั่งสมพุทธศ า, าสนาไม่มีอาคติคเท่ททานั้นจะเป็นคนลามกว่าใบเสจจิตเพชรมนขทางหลางที่เชั่วโมงเล็งข้อหุ้หออกตาบอดไม่ว่าเท่านั้นถ้าพอใ จ, จเจริญทำแล้ว ธรรมะคำสอนพระเจ้าต้องปกปักรักษาบรรดาลให้ได้พ้นจากโทษภัยนอใหญ่ได้เสมอไปสวันิพภาพได้ไม่ข้อสำคัญเจนของดูเลเก่กระเจิดจ้ำงฉะนั้นทุขพานที่ได้ยินไดฟังแล้วจงโอปนายโกไขธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติทึกขัดอบรมจนปุน๊บเสกตนให้มันเป็นคนดีแล้วมงทุกข์โทษภัยนอใหญ่มีพระนิพพานเป็นไปยังหน้า โดยหมดผิดหวังผู้เจริญธรรมปฏิบัติธรรมตามคําสอนพระเจ้าทุกบทบาทเป็นทำเครื่องสันกองชีเล่นดเชียชินจนทำเครื่องร่างบาตรร่างบาปให้หมดจะนําบุคคลเท่านั้นเข้าปฏิพันข้ามโอภาสงสารไปหมดเชียชินเพื่อเจริญธรรมไม่ไปโลกอื่นไปโลกโลกก็จะโลกคือปฏิพานธเท่านั้นนี่แหละข้อสําคัญมั่นหมายบาทภูรูใครทำทั้งหลายท่านจึงแนะนําคํำสอน ให้เราจะเริ่มทำกระําเสียซึ่งกิเลสบาปทำให้หมดไปเต็ไปเราจะเป็นคนดีนธธธธยหงุดโทษภายนอาใหญ่ในมัดตะสงสารใีพันุพันธ์เป็นไปแบบหน้าอาวสาวนเนออวสาวนก า, า, ารที่เรลำพันํ า, าธรรมะมาแต่ตนกนวารก็พอเป็นเที่ยงเกินเกิดใจใของข้าพเจ้ า, า ท, า ท, า ท, า ท, าทาี่ทำทั้งหลาย ก็สมควรแจ่กะละเวลาพราะโยติการรวยแจกเพียงนี้เอวังก็ไม่ด้วยปากาลสนีแล้ว